เราไปเียมตัวทิ่บังอวัดปิดไฟนะฮะที่ข้างในก็ในช่วงหนาร้นเราคงจะทำได้เต็มที่ขนาดนี้นะก็ คงจะยอมรับความจริงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติซึ่งถ้าหากว่าทาง เ, าเหนือช่วงสงการในสาพุษภาก็ต้องยอมรับความจริงก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะก็มีบางปียังมีฝนตกสลับมา น, นี่ก็คงจะปีนี้ฝนจะมาไวมามาไวขึ้น แต่ที่มันจะมาเมษาแล้วเป็นบางทีนู่นพิถุนากรกฎาตอนนี้มันอาจจะทิ้งเมษาไปาไป่มตดนตกมิถุนากรกฎาไปเลยม่ไม่เว้นช่วงนั้นนั้นก็ในการปฏิบัติภาวนาก็มีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับอิริยาาศซึ่งเราพูดกันไปเมื่อวานเรื่องธรรมชาติท่าสีที่เราต้องเรียนรู้ ที่นี้ธรรมชาติธาตุ่นี้ถ้าหากว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่เบียดเบียนมากขก้นไปก็คือรู้จักปรับใส่กันนะร้อนอย่างนี้บางคนที่ไม่ร้อนก็มีนะรู้จักวิธีปรับใช้แอร์ใช้พัดลมใช้น้ำหรือใช้ในห้องเย็นห้องแอร์ใช้ในห้องใต้ดินอะไรต่างที่บางคนที่เ็ามีบริหารจัดการที่ดีเขาก็ไม่รับผลกระทบอันนี้นะ คนที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีก็ได้รับผลมากน้อยหนึ่งคนที่บริหารจัดการพอปานกลางพออยูไ่ได้ก็ได้รับผลครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของอธรรมชาติธรรมดาอยู่ดูในสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเดียวกันแต่ได้รับผลกระทบไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ ในสมัยใหม่ก็ใช้ว่าบริหารจัดการที่ทีสมัยโบราณเขาไม่มีคําพูดแบบนี้เขาก็ใช้ว่าขึ้นอยู่กับวาสนาบา ร, รมีขึ้นอยู่กับบุญของคนนั้นคนไหนบริหารจัดการดีเออบุญเขาเยอะเนาะอากาศร้อนเขาก็ไม่ร้อนอากาศหนาวเขาก็ไม่หนาวโอ้บุญเขามีปานกลางอากาศร้อนก็ร้อนนิดหน่อยไม่ว่าอากาศหนาวก็หนาวนิดหน่อยบา ร, รมีสร้างมาระดับหนึ่งโอ้บุญบา ร, รมีไม่ดีเนาะ อากาศหน้าร้อนก็ร้อนจะได้อากาศหนาก็หนาวจะได้อันนี้ซึ่งเป็นกฎของธรรมแต่ว่าเราไม่เราด้วยความเคยชินแล้วไม่ค่อยจะมาวิเคราะห์กันในแง่ของการศึกษาธรรมในแง่การศึกษาธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจุบันซึ่งที่แล้วมาเนี่ยไม่รู้ไม่เรื่องผิดพาลาดเรื่องถูกต้องในในระยไม่นานนี้นะที่นําเอาเรื่องของตำรับตาําราอดีตนิทาน ยาวนานอะไรมาเล่าแทนที่จะจับเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขรายวันแต่เอาเรื่องอดีตชาดุกนิทานข้างพุทธการหรื อ, อเรื่องของอปลัมปลาเอามาเล่าสู่กัฟังซึ่งมันไม่เวิร์กเราไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในเองของกนักปริยัตินะ่ะจะนักปฏิบัติที่เป็น <c oughs> มีปัสนาแล้วก็จะไม่ทิ้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนะเชื่อมกันทั้ง3การหมายความว่าเรื่องราวในอดีตก็เอามาเล่าบ้างามาเป็นอุทาหรณ์นิดหน่อยเรื่องปัจจุบันก็คือเอาเหตุการณ์ปัจจุบันขึ้นมาเชื่อมกับอดีตให้ติดต่อกันเพื่อมองเห็นอนาคตว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรต่อไปลักษณะนี้เป็นลักษณะของการปฏิบัติวิปัสนาัสนาที่เป็นสมาธิธิ ซึ่งเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆ เ, เราจะเข้าใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการเรียนรู้จากกรลยาณมิตรมันก็เข้าใจได้แต่ว่ามันนานมากหรือไม่มีโอกาสเข้าใจเลยถ้าหากว่าเราญาณปัญญาในระดับญาณสามเราไม่เกิดเนี่ยเราก็งงๆงงงงงงไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติเราญาณสามคือตั้งแต่ปุเพนิวาสัญติญาณจุตูปปปะญาณแล้วก็อาสักวะญาณมันเกิดแล้วก็เชื่อม การทั้งสมเข้าด้วยกันหมดุดมองทะลุหมดปุเพนีวา น, านิวาสานุสติยานสามารถเชื่อมอดีตเข้ามาได้ทั้งหมดจุตูปปาริยานเชื่อมาาปัจจุบันเข้ามาได้ทั้งหมดและอาสวขยคายานเชื่อมไปสู่ต่อนะคตว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเรียว่าอาสวขยคายานเพราะฉะนั้นอย่างทั้ง3เชื่อมกับการทั้งสมอย่างลึกซึ้งแยกจากกันไม่ได้ แต่หลังมาท่านมาใช้หลักปริยัติให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้นแทนที่จะใช้ยาทั้งสามมันใช้ยาสามอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำว่าอดีตังสยานปัจจุ ป, ปนังสยานอนาคตังสยานยานทั้งสามมาเชื่อมกับยาทั้งสามที่เป็นหลักที่พุทจ้าแต่สรุ นั่นการภาวนาจะต้องทําให้เราเห็นการทั้งสามเชื่อมทะลุกันระหว่างอาดีตปัจจุบันอนาคตแล้วเราก็สามารถจะมองเห็นว่าอาดีตเป็นมาอย่างเงี้ยปัจจุบันเถึงเป็นอย่างนี้และอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะทํานายวางแผนการได้ถูกต้องดังนั้ น, นให้หลักพยะยา อุปโภคภัณ์มันก็จะมีไม่ได้ถ้าเราไม่มีอาศัยการทั้งสาอันนั้นหลักของวิทยาศาสตร์การพยากรณ์อากาศการทําถ้าพวกโหราศาสตร์ก็จะใช้เป็นเรื่องศาสตร์ด้ว่ารยการเรื่องอนาคตเรื่องหมอดูเรื่องโหงโหราศาสตร์มันจึงไม่เกี่ยวข้องกันนี่คือยานทั้ง3ามทีเกิดศาสตร์เหล่านี้ขึ้นอุโทกศาสตร์พยากรณ์ศาสตร์โหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกันในแง่ของทางด้านการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ในแง่ของพระพุทธศาสนาวิปัสนาทั้งใช้คําว่าญาณทั้งสาเหมือนกันอารติจังสียานปัจจุบันัสียานอนาคตังสียานเมื่อเราเข้าใจหลักการในนี้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายต่อการจัดการตัวตัวเองว่าออปัจจุบันเราจะอยู่งไงถึงจะสบายที่แล้วมาเราทำอะไรผิดพลาดบ้างไหมปัจจุบันเรางเป็นอย่างนี้เราแก้ไขพปัจจุบันแล้วก็รู้ด้วยว่าอนาคตเราจะอยู่อย่างไรทายอนาคตของตัวเองได้ เพราะว่าเราสามารถดัดแปลงที่ปัจจุบันเพราะอนาคตก็เกิดจากปัจจุบันถ้าอยากจะให้อนาคตเป็นอย่างไรก็จัดการที่ปัจจุบันเราก็สามารถรู้อนาคตเราได้เราจะเป็นอะไรจะสุขอย่างไรจะทุกข์อย่างไรจะเจ็บอย่างไงจะก็รู้เพราะเรามีการปรับที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่จะปรับปัจจุบันได้อย่างถูกต้องแม่นยําตรงกันทั้งอดีตและอนาคตนั้นก็ต้องมีวิปัสสนาญาณขึ้นมานี่เพราะนั้นตัววิปัสสนาญาณจึงเชื่อมญาณทั้งสาม ของพระพุทธเจ้าคืออุเพนิวสัสนุญติยานจุตุปปาริยานและอาสาวกยานเชื่อมต่ออติตังสยานอนาคตังสยามปัจจุปนังสยามโดยมีวิปัสนาญาณเป็นตัวเชื่อมซึ่งถ้าเรายังไม่รู้เรื่องหลักปริยัติเท่าไหร่เราก็จะฟังไว้ก่อนก็ได้นะยังอาจจะนึกภาพไม่ออกทั้งหมดดังนั้นง่ายๆก็คือว่าเราจะจัดการปัจจุบันของเราอย่างไร อย่างที่เราต้องการอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นอนาคตจัดการปัจจุบันอนาคตเรายังจะสุขหรือจะทุกข์จัดการปัจจุบันมีใครบ้างที่ต้องการไปทุกข์ในอนาคตคุณวิชัยต้องการไหมอนาคตต้องการไปทุกข์ไม่ต้องการไม่มีใครต้องการแต่ทําไมเราถึงไม่มีใครต้องการอนาคตที่เป็นทุกข์แต่ทําไมเราจรึงจัดการปัจจุบันยังไม่ได้เพราะไม่มีวิสณ ย, ยาน เพราะว่าเราไม่จะไม่ได้มาเจริญสติเหมือนนั้นนะถ้าว่าวิปนนะัสสนาญาณอาจจะเป็นเรื่องซับซ้อนไกลด้วยก็เป็นเรื่องของการที่รู้ปัจจุบันขณะชัดเจนเป็นวิปาาัสสนาญาณวิปัสสนาญาณหมายความรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้งโยตีตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกูปังตังวิธามโนภูเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนแงนคอนแขนเขาพึงพ่อปูณอาการเช่นนั้นไว้คําจากความเขาว่าวิปัสนาญาณคือเห็นสิ่งที่ทำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแขนเขาควรพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้เห็นไหมทีนี้ไอการเห็นธรรมก็ปรากฏขึ้นตลอดปรากฏขึ้นตลอดถ้าหากว่าเรามีสติในการ เฝ้ดูบางเหตุการณ์เราก็จําได้บางเหตุการณ์เราก็จําไม่ได้แต่บางเหตุการณ์หลวงพ่อก็จำมาเล่าให้เป็นตัวอย่างเช่นในเรื่องการไปเด็ดใบบัวการดอกบัวหรือแม้การเกี่ยวข้องกับ เ, เราเป็นผู้ไม่ประมาทไปเกี่ยวข้องกับคนประมาทเราก็ได้รับความเจ็บปวดแม้เราจะระวังขนาดไหนก็ตามาเหมือนกับเร า, าระวังตัวดีมากในการนัง่งขับบนรถกับรถคันนี้ยเราก็ไม่ประมาทเลย แต่เราต้องร่วมชะตากรรมกับคนขับรถที่ประมาท <c oughs> เวลาเกิด accident, อุบิเหตุขึ้นเราโดนไหมโดนนะเราประมาถทถามว่าเราประมาทไหมประมาทแต่ทำไมต้องโดนนะเ<ช>พราะเราไปร่วมชะตากรรมกับคนประมาทอ่าเพราะนั้นในภายในที่ผ่านมาเดือนสองเดือนหพ่อโดนได้สองแผล น, นะเพราะร่วมกับคนประมาทแผลแรก น, นิ้วนิ้วนี้เกือบขาดไอ้พอตัดไม้ใช่ไหมคนอีกคถือพอไม้มันกลจะขาดมันฉีกใช่ไหมไม้ไม้ซางไม้ไผ่อะพอฉีกก็เป็นบาด จา้าดก็ตรงนี้เลยเก็บจะล่องเร่งเนี่ยหลวงพ่อแป๊บวงพ่อกดแผลทันทีนะกดสนิทเลยนะไม่ให้เลือดมันออกจกําลังแน่ใจว่าเลือดไม่ออกปุ๊ก็รีบไปห า, ายาเหลืองไฮโดรเจนก็เทป ม, มาพันเลยไม่เกินสาวันแผลนี้แห้งสนิทติดเลยเหมือนไม่โดนเลย้ารหาหมอจึบัไปโดนเย็บโดนเย็บไม่รู้อีเข็มอะไรเนี่ยแทบจะขาดร่องแร่งเลยนะ นี่คือเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดได้แต่เราจัดการปัจจุบันให้เร็วที่สุดได้นั่นคือการมีสติเมื่อวานก่อนมาลงเอาสมุดมาลงบอรร่วมกับโยมมาช่วยไปสมุดใหญ่นะเราขนาดที่จะเอาลงเราก็ถือสายไอ้ที่จะสายไฟที่ติดใช่สมุดลงในบอร์โยมสองคนเขาเชื่อมต่อท่อเขาด้วยกันเชื่อมต่อกาวยังไม่ทันแห้งเขาเรียบเอาลงเขาลืมไปลืมตัว พออ่อโยมเราไปคนถือสายอที่ไหนถ้ามันก็หลุดดีนะเพราะหลุดเพราะไอ้สมอนมันหนักกี่กิโลอะปึ่งลงไปรัดนิ้วโดนลขาไปสองนิ้วเลยนิ้วนี้กับนิ้วนี้อยู่นี้พึ่งผ่านมากี่วันประมาณสักห้าวันแผลสนิทละแทบจะขาดเหมือนกันเนี่ยพึ่งเอากอ็เทปเอาเนี่ยกดสนิทเหมือนกันเพรโดนป๊อบกดสนิทที่เอาฮอริเย็นทาแล้วก็อันนีป้ปิดแผลฉะนั้น การที่เราไม่ประมาทแต่ร่วมชะตากรบว่าบคนประมาทแล้วเราก็ต้องโดนยุนได้แหละอันนี้คือเราไม่สามารถคุณปฏิบัติธรรมขั้นระดับไหนขั้นไหนก็ตามพระุทธเจ้าถ้าถูกทำลายไหมถูกร่วมกับคนประมาทแล้ใช่อหมออถูกกลิ่งหินใส่ถูกไล่ช้างไช่ถูกไล่ฟันนะใช่ไหมถูกด่ากันทั้งหมู่บ้านนะใช่ไหม mm. เหตุการณ์นะครับพูดหรืการถามว่าพระุทธเจ้าประมาทไหมไม่ประมาทแต่ท่านต้องอยู่ร่วมโลกกับคนประมาท ต้องได้รับชตากรรมเราก็เหมือนกันเราปฏิบัติธรรมขนาดไหนจะไหนให้ทําใจได้ว่าเอ๊ะทาไมเราต้องทุกข์อยู่ทําไมเราจึงเป็นอย่างนี้อยู่ให้รู้ว่าเราต้องร่วมชะตากรรมกับคนประมาทต้องโดนอยู่แล้วส่วนเราจะโดนมากน้อขึ้นอยู่กับเราทันปัจจุบันไหมนะถ้าไม่ทันปัจจุบันหลวงพ่อในภายในเดือนนี้หลวงพ่อโดนเย็บไปสองครั้งแล้วเนี่ยแต่พอปัจจุบันคือจัดการทันที เพราะฉะนั้นอันนี้คือคือหลักฐานไม่ใช่เรื่องเมคเลยนะเป็นหลักฐานที่เจอได้ตัวเองเท่านั้นเรื่องเหล่านี้นะดังนั้นก็เลยอยากว่าเราก็เหมือนกันอยู่ร่วมคนประมาถามว่าทําไมเราไม่จัดสรรคนที่ไม่ประมาทมาอยู่ร่วมกันเป็นไปไม่ได้เพราะเราจะจัดสรรได้เฉพาะอย่างมากที่สุดกับตัวเองเท่านั้นใช่ไหมอย่างอื่นเนี่ยเราไปจัดสรรไม่ได้ไปจัดสรรวิบากกรรมคตรอื่นไม่ได้แต่เราต้องอยู่ร่วมกับเขาอ่าส่วนเขาจะมีวิบากกรรมมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับโชคของเราวาสนาของเรา ถ้าโชควาสนาเราดีแล้วก็ได้คนที่ประมาทน้อยหน่มาอยู่ใกล้ตัวโชควาสนาเราสร้างมาไมาดีแล้วก็ได้คุณประมาทมากมากมาอยู่ใกล้ตัวเราก็ต้องโดนวิบากกรรมจากเขาอันนั่นแหละนี่นคือที่มาของสุขของทุกเราต้องวิจัยออกเอ้ทาไมเราจะม่มีคุยเช่นว่าไอ้ทำไมต้องเป็นอย่างทําไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะเรารู้เหตุปัจจัยของมันใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เรามีแม่บ้านเรามีลูก เราพาแม่บ้านมาปฏิบัติไม่ได้ลูกมาปฏิบัติไม่ได้ทําให้เขาประปัดน้อยลงไม่ได้เขาก็ประมาทมากขึ้นเหมือนเดิมใช่ไหมเราอยู่ใกล้เขาเราโดนไหมก็โดนนานเห็นไหมอันนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยากใกล้ๆนะอ <OR> โดนแต่ถ้าหากว่าเราโชคดีหน่อยเราดึง <ulator> แม่บ้านมาปฏิบัติได้พ่อบ้านมาปฏิบัติได้ลูกมาปฏิบัติได้เราโชคดีที่เราสามารถนุ่มเขาก็ประปัดน้อยหน่อยพูดก็รู้เรื่องหน่อยใช่ไหม อ่าเข้าใจแล้วมันก็สามารถจะช่วยให้ปบาปน้อยลงได้ตอนนั้นอันนี้คือเหตุการณ์ณปัจจุบันเราต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าอะไรเป็นอะไรทีแล้วเราจะไม่สงสัยว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมเฮ้ยทำไปฉันทุกขนาดนี้ฉันปฏิบัติธรรมใช่ไหมเออฉันก็ทําดีมาตลอดทำไมฉันทุกขนาดนี้น เ, นนนนเราจะไม่สงสัยนะไม่สงสัยเพราะมันมีเหตุปัจจัยทีนี้เราก็มาสงสัยวาสนาตัวเองเมื่อก่อนทําไม ไม่สร้างวาสนาดีๆเมื่อก่อนเราประมาทเราก็สร้างแย่ๆมาเหมือนกันใช่ไหมมันก็มามีวิบากของเราแทนที่เราจะได้คนมีสติปัญญาดีๆมาอยู่ใกล้ๆชีวเยอะๆแต่ว่าเราก็เคยประมาทมาก่อนวาสนาบารมีให้เราได้มาแค่นี้ยเพราะเราเคยทําอะไรที่ไม่ดีมาก่อนเหมือนกันในอดีตเมื่อเรารู้อย่างนี้ปั๊บเราแก้ไขอดีตได้ไหมไม่ได้แต่เราอยากจะได้อดีตที่ดีต่อไปเราก็มาทำที่ณปัจจุบันคือกระตุ้นคนใกล้ตัวของเราให้มีสติมากที่สุด อันนี้แก้ไขได้แล้วในอนาคตก็จะดีเพราะอนาคตก็คืออดีตของวันนี้ต่อไปคนใกล้ตัวเราก็จะมีคนเป็นคนที่มีสติสมบูญเะมากขึ้นเราก็ได ร, รับผลน้อยลงวาสนาเราก็ดีขึ้นแก้ไขได้ใช่ไหมแก้ไขได้ณนะปัจจุบันนะเพราะนั้นเองก็เราอันนี้เป็นการเรียนศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตจริงการเรียนนักธรรมบาลีเรียนปริญญาที่เรียนกันข้างนอกมันไม่ได้เรียนเรื่องเหล่านี้ เรนเรื่องตำราเรียนเรื่องความคิดมันสมองสติปัญญาของคนอื่นซึ่งไปถามว่าคนเหล่านั้นเป็นคนได้บรรลุธรรมมาก่อนไหมมาเขียนตำราเนี่ยไม่นั่งนั่งเทียนเขียนเอาทั้งนั้นเลย <laughs> ถามว่าข้อมูลตามตำรานั่งเขียนทียนั่งเทีย น, นเขียนเอาเนี่ยมันเวิร์กไมในยุคปัจจุบันไม่เวิร์กมันเป็นเรื่องข้อมูลอดีตล้ว น, ลวนเลยมันก็ไม่ตอบสนองต่ อ, อการแก้ไขปัญหาปัจจุบันอย่างทันการใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าลูกเขา จะมีความสูงไม่มีไม่มีมมวังเลยที่จะมีสุขกันนะเพราะเขาอยู่กับความคิดในอดีตทั้งนั้นเลยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะอันนี้คือเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยที่อ่าอันนี้ไปไปวินทบาทอีกหมู่บ้านหนึ่งนะวันเก้าปฏิลังนะั่ะ้งนั้นเองก็อยากจะให้ศึกษาธรรมะในมิติเนี้นะ เท่านี้เราประกาศที่ว่าจะริเทสอยู่ที่สงฆนะ์คนสมัครมา25คนใช่ไหมเพราะเราเปลี่ยนสถานที่ปับ๊บถือโอกาสบอกมาแพงแสงเทียนหุดไปเลยนะเขารู้กิ่ที่แรงแสงเทียนดีบอกพราะเราไม่ได้บอกว่าแพงแสงเทียนคือจริงแต่เวอร์ชันของหลวงพ่อนีไม่ใช่เวอร์ชันของแฝงแสงเทียนนะเราบอกไปไม่ทันเพราะนั้นก็เหลือได้กี่คนเท่าไหร่ก็เท่านั้น แต่ก็คมจริงเราทำที่นี่ก็ได้แล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเท่านั้นเองไปใช้ที่แพทย์แสงเทียนแต่ว่าคู่เดียวคงไม่ได้ไปนะคู่เดียวผมขอหาคนงานให้สามคนนะคู่เดียวกับลุงสามกับทิศช่างอุดเนี่ยนะอุดแก็จะมีผู้ช่วยอยีกคนหนึ่ง พวกเราก็ไปที่นู่นแต่วันนี้รอพวกเชียงใหม่สองสามคนมาร่วมชะตากรรมกับเราก่อน <c oughs> ต้องรอพวกนั้นมาร่วมกันแล้วไปทีหลังตอนใบายเย็นก็ได้เพราะทางพรแสงเทียนก็เขากลุ่มหนึ่งจะออกวันนี้กลุ่มหนึ่งจะออกพรุ่งนี้ก็ที่ก็คงจะมีพออยู่นะเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับให้เป็นไปได้ตามใจเราแต่ให้ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเท่าที่มันเป็นเท่านั้นเองนะ ไม่ต้องอนาถอร้อนใจว่าทำไมไปงี้วันทำไมไปงี้เพราะเราไม่สามารถจะไปควบคุมเหตุปจัจจัยต่างๆที่มันเป็นไปตามเรื่องของมันนได้นะดนั้นเองกอ็เราอยู่ร่วมโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ต้องยอมรับความจริงเพราะทุกคนส่วนใหญ่ที่อยากไปสงบเขไปอยากเห็นบรรยากาศที่คุณจิเลพนเคยโฆษณาเอาไว้เท่านั้นเองแต่อยากจะศึกษาธรรมะจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่นะเคอมีน้อยคน อย่าไ ป, ปเสีบรรยากาศแต่เมื่อบรรยาการไม่เป็นใจนะมันก็ค่อยยกเลิกไปนั่นเองทั้นั้นก็เองก็ในช่วงต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงคือมาคือมาเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากการที่เราทําตามอยากมานานเนี่ยมันมีแต่ปัญหาใช่ไหมต่อมาไม่เรียนรู้ว่าเออทําตามอยากมัต้องทําตามธรรมมันจะไม่มีปัญหาคือหมายความว่าเหตุการณ์และธรรมะ จัดสรรให้เท่าไหร่นี่ก็เอาเท่านั้นทําเท่านั้นเรียกระบบธรรมะจัดสรรใช่ไหมทำจำยานคนที่เราจะได้30คนแต่ธรรมะจัดสรรให้เราห้าคนก็ต้องอาหคนเท่านั้นเองมันก็เกิดความสบายใช่ไหมก็เบาสบายเราไปเขี้ยวไปเขียนให้มันได้แคสามสิคนมันทุกข์มากเลยทีเนี้ยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรอันนั้นเองก็ แล้วราปฏิบัติมิปเสนาไปนานๆเราจะคุ้นกับธรรมะจัดสรรไหมว่ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ต้องอยากเท่าไหร่ก็เท่านั้นมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีมากก็คือมากน้อยก็คือน้อยการเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นได้ไหมครับโอ้เบื้องสูงทีเดียวนะเบื้องสูงทีเดียวเบื้องต้นยังมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะสัมมาทิฏฐิ เพราะนั้นเรื่องสมาธิิดูเหมือนพูดง่ายๆนะแต่พอเอาจริงๆมันไม่ง่ายนะ<ช>สมาธิมีสองระดับเบื้องต้นคือสมาธิในระดับรู้รูปนามระดับพระโสดาบันพระสกิราคามีสมาธิเบื้องสูงตั้งแต่ปปรตู้ปรมาติ้งแต่ตั้งแต่พระอนาคามีและพระอาหารหันต์จะเป็นสมาธิเบื้องสูงสมาธิเบื้องต้นคือพระโสดาบันกับพระสกิรัาคามีสัมผัสได้ใช้ได้เออใช้งานได้ เพนั้นในอารมณ์หลักมันคือ2ชุดชุดรูปนามกับชุดปรามัดเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ความจริงชุดที่3คือการเกิดดับก็คือเหมือนกับในนามปรามัดเหมือนกันแต่ว่ามันเคือคล้กันเท่านั้นเองแต่ในส่วนย่อยเนี่ยรูปนามอารมณรูปนามเป็นมีเป็น10บสชั้นอารมณ์ปรามัดก็เป็นอีก10บสชั้นเนี่ยแต่หลักมันก็มีแสงสอขั้วเท่านั้นเองขั้วรูปกับขั้วนามอารมณ์รูปนามก็เกี่ยวข้องกับรูปอยู่ใช่ไหมอารมณ์ปรามัดก็เกี่ยวข้องกับนามเท่านั้นเอง จะมีสองขัวหลักๆพอเราจับของคั้วหลักได้ปั๊บเนี่ยมันก็ง่ายเลยใช่ไหมในการปฏิบัติว่าตอนนี้เรารู้ <c oughs> รูปนามคือเกี่ยวข้องรูปนามแก้ไขปัญหารูปนามระดับรูปน้ําได้ดีชัดเจน ไ, ไม่ขอเออเข้าใจละพะเกี่ยวขอ้ อ, อ, ของกับนามเอยเกี่ยวข้องกับปรมัติต์เราแก้ปัญหาระดับนามรูปได้คืออารมณ์ต่างๆเราแก้ได้ดีชัดเจนใช่ไหมพอแก้ดีชัดเจนปั๊บมันก็ไปเห็นการเกิดดับเท่านั้นเอง พอเกิดให้เกิดก็จบเห็นการเกิดเราต้องการจะเกิดอีกไหมเห็นการดับเราต้องการดับนี่คือหลักของวันทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราอยู่ที่นี่ก็ทำที่นี่ไปแต่ความจริงเงื่อนไขที่นี่ดีกว่าแพทย์แสงเทียนเยอะถามว่าทำไมเราไม่ใช่ที่นี่เพราะเราก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศว่าง บาอย่างก็ไปให้กําลังใจกับไม่กลัวกาแฟแสงเทียนเขาบ้างเหมือะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงระบบของเขาบ้างว่าเขาเข้าใจระบบเอกมา20ปีก่อนที่จะมาสอนเขานะตอนนั้นอะมักก็ยังอยู่ในรูปนามอยู่ยังไม่รู้ปรัมมัติเลยนะอ่ะาก็ใช้รูปนนะามนั่นแหละมันก็ใช้แบบกดบังคับแบบระเบียบแล้วก็มาจัดการ แต่มันก็เลยทําให้คนที่เขาเข้าใจปรมัดแล้วเขารับไม่ได้เขาก็ไม่อยากไปต่หลังมาหลวงพ่อพัฒนามาสอนปรามัดเพอาะรู้ปรมัดแล้วใช่ไหมเขาก็รู้เข้าใจแพร่แสงเทียนนั่นคือพัฒนาการที่นี่หลวงพ่อจะเข้าไปอีกทีก็ค่อยเข้าไปเพื่อจะเอารูปบบปรามัตไปสอนเพราะฉะนั้หลวงพ่อค่อยแก้ว่าเออเอาแยกผู้หญิงไปทางหนึ่งผู้ชายไปทางหนึ่งเนี่ยไม่ถูกนะต้องให้มันเห็นกันให้มันรู้กันให้มันเข้าใจกันธรรมชาติอยู่ร่วมกัน แล้วคุณไปบางครับให้จะต้องทํางี้นวดทำงี้ไม่ถูกอันนี้เป็นเวอร์ชันหลวงพ่อเราให้หลวงพ่อจัดการแล้วคุณไมต้องแจ้งเพราพี่คุณเลยยอมแล้วก็หลวงพ่อเราจัดการนี่คือคงยอมเป็นวางเรื่องนะนะบางเรื่อ ง, นนะงเรองพราะเขาเสียบติดมานานอีกสปียี 20, ปีก็เห็นใจก็แต่เราค่อยจัดการทีละหน่อยก็คงจะค่อยจัดการไปแต่นั้นต่อไปหลวงพ่ออาจจะต้องไปจัดที่แพทแสงเทียนเรื่อยๆเหมือนกันเพื่อไปค่อยแก้ไขระบบที่เราเคยทําอะไร ก็ไม่ถือว่าผิดพลาดอะ่ะแต่ว่าการพัฒนาการจะเอาหลักสูตรประถมมาสอนกันไม่ได้สําหรับคนต้องการที่จะเรียนมหาวิทยาลัยเท่าการอุดมต้องการที่จะพัฒนาคุณจะไปมาเข้าไปสอนในเรื่องแต่ประถมเขาก็รับไม่ได้ขต้องพัฒนาให้เป็นมัธยมและมหาวิทยาลัยขึ้นไปตามลําดับแต่เขาก็ยังอยู่ในขั้นประถมอยู่อย่างนี้เขาไม่ได้คนที่เขาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาแล้วก็รับไม่ได้เขาก็ไม่มาท่านเอง คุณก็ได้ระดับอนุบาลระดับปฐมเข้ามามันก็มนไม่เวิร์กอะ่ะคุณก็เหนื่อยเนี่ยพีะภิกุลก็ป่วยทีที้มันเข้านานๆมานั่งฟังเทศน์มานั่งเหงางงงเนี่ยมันก็ชี้ข้างหน้าเลยลหล่ะไอ้รูกผลไม้แล้วมานั่งงงอยู่ทําไมไดนะ้มันได้มอยู่ในลูปน้ําอยู่ในนี้ชี้กันตรงตรงเงี้ยโดนหลายงานครั้ที่แล้วที่ไม่าย นั่งฟังกันออกมาเงางเงางงออกเอามาโดนนี้มาโดนอีกงานหนึ่งก็คงจะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็บอกความจริงเขายอมไปทีนิดเดียวนิดเนี่ยเรื่องทิฏฐิมานะนี่จะแก้ไขทันทีไม่ได้เขาแก้ไขทีละนิดตามตามเหตุปัจจัยอนะคือเราจะไปชี้ตอนไม่ไม่มีเหตุไม่ได้นะต้องชี้ตอนที่มีเหตุนั้นหลายๆเรื่องมันมีอะไรที่ถ้าถ้าทะลุปัจจุบันนะมันมีอะไรน่าศึกษามาก คำว่าธรมรมทัศนนังหรือธรมรมทัศนการเห็นทาให้หนึ่งหนึ่งมันจะมีปรากฏแต่เราจะจำเอามาใช้ได้ไม่ได้เท่านั้นเองเนอันนี้ก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่เราได้ธรรมะขึ้นมาปั๊บพยายามจำเหตุการณ์นั้นไว้แล้วเอามาประยุกต์ใช้นะเพราะนั้นในช่วงเช้าคุยกันแค่นี้ก็พอเนาะเราไมได้ไปทำทุกท่านตัว